เนี่ยฟังทำกันพูดกับทุกคนทุกท่านเพราะสิ่งที่พูดมันมีอยู่กับเราเพอถือว่าพูดกับทุกคนเราก็มาศึกษามาปฏิบัติมาจุ่มมาต่อ มาสัมผัสดูโดยเฉพาะความรู้สึกตัวนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์เระมันได้คำตอบออกมาพิสูจน์ได้แล้วตอบตัวเองด้วย <S <S เหมือนวิทยาศาสตร์ทั่วไป อย่างหลวงตาเคยไปตรวจโรคที่หมอบ้านอะไรผู้ใหญ่วิบูลไม่ใช่ผู้ใหญ่ผายจังหวัดปุริลำเขามีทองแดงเม่กี้เรา เราลืมไปซะมันทำยังไงก็ลืมไปถ้าใครเป็นโรคมันจะบอกในตัวเรามันจะบอกถ้าเอาอยาเอาต้นไม้ต้นสมุนไพรมาใส่แล้วก็หยุดเอาต้นเหนืนมาใส่มันเต้นแสดงว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันถูกอันนี้ ถ้าไม่ถูกโลกในตัวเรางกายังเต้นอยู่ว่าอยู่จากหยุดจากหย่อนเวลาที่สัมผัสกับเช่นนองแดงมันเคลื่อนไหวแสดงว่ามันมีเชื่อโลกมันมีไม่จบไม่สิ้นแล้วก็เอาต้นไม้ที่มัน สมุนไปที่มันเป็นยามาใส่ดูผู้ตรวจก็เป็นหมอสมุนไพใครจับดูก็ได้เอายามาจับมาเองก็ได้ไปหามาจากที่ใดก็ได้แล้วก็หยุดเอายานำมาต้มกินแล้วก็หายถ้าใครอยากไปตรวจดูก็ไปได้จะพาไปอันนั้นเป็นวิทยาศาสตร์แบบโบราณโบราณ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 มันก็ต่อไปมันก็เป็นโลกกันหนึ่งความพอใจความไม่พอใจมันเป็นโลกกันหนึ่งเจิงรู้จักตัวเนี่ยมันมันอยู่มันแสดว่าถ้ามันหยุดมันไม่เป็นไรมันไม่ต่อไปอีกถ้าเป็นงามพูดก็ว่ากายเสวากายไม่ใช่จัตนรุคนตัวตนเราเขาอันนี้ก็ยาวไม่ต้องบริสาธยายแบบนั้น เราโลดถึกตัวันก็หยุดแล้วไม่ไม่ไปก็แจ้งว่าย่าถูกโรครักษาคุมความเนิอของโรคได้คุมความเนืดของตัวกูของกูได้อะไรก็ตามมันก็มีที่ตั้งตรงนี้ทั้งหมดเลยในชีวิตเรานะเว้นถ้าถ้าโูด ถ้าเห็นตัวเนี่ยกายเห็นเวทน า, าเห็นกิจเห็นธรรมเนี่ยมันมันหยุดก็จะเหว่ามันก็กอง่ายแล้วหัวหน้าพบชาติที่อยู่ตรงนี้ก็ว่าได้ถ้าไม่หยุดตรงนี้ก็กี่ปีจะบวชกี่ปีจะปฏิบัติกี่ปีมันก็ไม่จบไปทียังทุกข์แล้วทุกข์อีกความทุกข์อันเก่ายังทุกข์อีก ความรักความพอใจความไม่พอใจอันเกาก็ยังเอามไม่พอใจไม่พอใจอยู่ไม่ไม่มจบความโลภความโกรธความหลงความอะไรต่างๆมันไม่จบมันก็ไปเรื่อยๆเป็นพบเป็นชาติเป็นวัฏฏะสงสารเวียนว่ายไปในในโลกเป็นรถชาติของโลก ความพอใจก็เป็นรสชาติของโลกความไม่พอใจก็เป็นรสชาติของโลกอะไรมันบอกมันรู้เองเพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่หลวงพอว<ะ>่อพูดตามความคิดดึกมันพูดตามสภาวะธรรมตัวสติที่มันรู้ซื่อเนี่ยอันตัวซื่อๆๆเนี่ยมันก็จบแท่นน มันทุกข์ก็ทุกข์ซื่อๆมันหลงก็หลงซื่อๆมันผิดก็ผิดซื่อๆมันมีมันมีผิดมีถูกมันมีสูกมีทุกข์มันก็ซื่อๆเพราะมันมีรูปมีเวทนามีรูปมีนามมันต้องมีอาการที่มันแสดงออกมาในเหตุปัจจัยต่างๆมันก็ซื่อๆไปตัว่าสติที่รู้ซื่อๆเนี่ยมันง่าย อันถ้าไม่ซื้อมันค้อค่องแระไปสุกก็ค้่องแระไปไปทุกก็ค้องแระไปไปพอใจค้่องแระไปไปไม่พอใจค้่องแวะไปจึงพยายามใช้ตัวลูกซื่อๆเนี่ยกลับมาลู่ซื่อๆไปอย่าอย่าทิ้งหลักเหมือนเราตรวจโลกต้องเอาเครื่องมือมาใส่ วัตถุที่แสดงก็ไม่วัตถุที่เอามาต่อกันน่อย ม, มันแสดงออกความหลงแสดงออกไปหลายอย่างไปไกลความรู้สึกตัวมันแสดงออกไม่ไปมันมันหยุดเหมือนพระพรุทธเจ้าในทางไม่ไหน <c oughs> อย่างที่เรากรถินนรร้ำกำมอปโลกกระถิน ถ้าพระสงค์องใดรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท่วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรนิ่งที่ก็ใช่ความนิ่งนิ่งหรือสาะทุการถ้าไม่สมควรไม่ต้องนิ่งแสดงออกมาอันนี้ทําไว้นังสติความรู้จักความรู้ใดเป็น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 อันเห็นอันเดียวเห็นตัวเราก็เห็นคนอื่นก็เห็นตัวเขาก็เสียงเดียวกันไม่ใช่นับร<ม>้อยสองร้อยเป็นผู้ชนะคนได้น้อยก็เป็นคนแพ้ไปอันนั่นไม่ใช่เราเยิงส <c oughs> บายที่สุดเราจะประยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในโลกไหนก็ได้ถ้าเรารุ้ลักตรงนี้แล้ว ไม่ต้องกลัวเพราะมันอันเดียวตัวหลงตัวลู้อันเดียวตัวพอใจตัวไม่พอใจก่อนเดียวตัวโกรธตัวโลภตัวหลงตัวรักตัวชังที่ต้อหาลาคะอันเดียวใครก็เหมือนกันจึงเป็นการง่ายอย่าถือว่ามันยากเรา๋รู้ซื่อตัวเนียมันสุด อะไรก็ชื่อชื่อจรอนก็ชื่อชื่อาวก็ชื่อชื่อนาวก็แช่หนาวนะห mm hmm. ลวงพ่อเทียนพูดว่า mm hmm. พริกมันก็เผ็ดแช่พริกแค่เผ็ด mm hmm. เกลือมันก็แช่แช่เกลือหวานก็แช่หวานร้อนก็แช่ร้อนปวดก็แช่ปวดมันไม่ไปที่ไหนกเขาแช่ปวดน่ะมันซื่อตรงนั้นแหละ ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่โอ้ยไม่อะไรไม่ต่อไปอย่าพวงไปพ่วงไปไม่ใช่แต่คนเรามันไม่ใช่อันเสื่อมสื่อมันชอบไปรดชาติแช่ปัญหารดชาติอรอลดชาติมันจะเกิดอะไรขึ้นมาความหลงก็มีรดชาติไปแล้ว ความไม่หลงก็มีรสชาติไปแล้วความโกรธความรู้ก็มีรสชาติไปแล้วความไม่รู้ก็มีรสชาติไปแล้วเพราะคนเรามันชอบรสเรียกว่าโลกคือรสรสของโลกไม่ใช่รสของธรรมรสของธรรมเหมืนเป็นรสอันเดียวสัพพะตานังธรรมะตาลังกินาติ สับปะสังธรรมะลสูีนาติสับปะลัติณธรมลติทิฏาติอนนาคโยสัพตุขังคญาติลถพระธรรมคือลถซื่อๆเนี่ยจะลถทั้งบ่วงลถพระธรรมชนะลถทั้งบวงการทำบันทันจะละการให้ทั้งป่วงเสียงพระธรรมชนะเสียงทั้งป่วงการชินไปแห่งทุกอย่างจบลงเป็นสู่ไดโลก เพราะมัน ซ, ซื้อแล้วมันไม่ไปอีกแล้วเป็นสุขในโลกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไีไม่ใช่หลวงตาพูดเองนะเราจึงมันก็มันก็มีทวารชุกสนในอายตนะของเราตาหูจมูกเล่นกายใจมันไม่เยื่อ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 เราก็ต้องเอาตรงนี้ช่วยตัวเองตร ง, ตรงนี้การปฏิบัติธรรมเพราะมันกรรมมันใครติดใครเพื่อนมาก็อย่าไปทอดแท้อย่าเอามาอ้างอย่าเอามาอยู่ข้างหน้าให้มันขวงกันเคยเป็นอย่างนั้นใครไปอย่างนี้อย่า อ, าอะไรมาเป็นขวงกันอย่าเอาลูกกับเมียอย่าเอาความเก็บผมปวด ม, ม, มาเป็นของกันอย่าเอาความเห็น ทิฏฐิบรณนะมาเป็นเครื่องกัน้นถัดหลงออกไปรูซื้อซื้อออกไปรูซื้อซื้อออกไปการรูซืซื้อถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนน้ําแต่น้ํามันแข็งหมากถ้าน้ำเก่งๆหน่าเช่นเขาเจาะหินน่ยเอาน้ําใส่หรือเลื่อยเหล็กนี่ก็น้ําใส่ อะไรก็ตามหน้ามันอ่อนแต่ว่ามันแข็งอันตัวลู่ซื่อๆเนี่ยมันอ่อนนุ่มแต่มันเข้มแข็งหนักเหมือนเล่าในฐานในฟังต้นใสกับต้นอ่อนต้นใจใหญ่ที่สุดแข็งแต่ดต้นเล็กมันก็ไม่ไม่โคดไม่ล้มเหมือนต้นใจเพราะมันอ่อนตัวลู่ซื่อไม่กระทบกระเทือนอะไร ว่าใช่เข้มแข็งบูดบึ้งเอาจริงเอาจังถ้ารู้ก็ไม่รู้แข็งแล้วถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้แข็งไปแล้วถ้าผิดก็ผิดแข็งไปแล้วถ้าถูกก็ถูกแข็งไปแล้วต่างก็มีลถไปทั้งนั้นมันก็ชอบลถแบบนั้นเหมือนขนติดกินกิ่นก่าว ของเหม็นๆเขาก็ติดอยู่น่ะอยู่แถวหัวลำโพงอ่ะพวกติ่นกิ่นพวกติดกลินกก่นทั้งหลายไปนั่งอยู่แถวช่วมห้องน้าเหม็นเขาก็ปูผ้านอนอยู่กับพวาเหม็นพี่ติดติ่นเออคนที่ไม่ติดกลิ่นนี่ยก็วันไม่เคยนะแต่ต้องช่วยตัวเองเหมือนหลวงพ่อหลวงตาไปวัดสนามใน ไปหาลงตาองหนึ่งเขาอยู่ใกล้ห้องน้าพอเดินข้ามสะพานคลองไปแล้วก็ไปนั่งด้วยมันเหม็นเหม็นช่วมเออทำไมอยู่ได้นี่ะมันเหม็นช่วมเลยเอ้ยไม่เห็นเหนม็หนอะไรเลยโอ้สูดหายสูดาหายกินเอ้ยไม่ไมีอ่ะเพราะเขาติดเขาไม่รู้อ่ะมันเหม็นเพราะมันติด ว่ามันติดกิ่นมันเคยชินเราหลงอ่อเราเคยกินกับความหลงเราเคยกินกับความไม่หลงเราเคยกินกับความทุกข์เราเคยกินกับความไม่ทุกข์เราเคยกินกับความโกรธเราเคยกินกับความไม่โกรธความไม่โกรธก็ไม่มันก็เคยกินความโกรธก็ไม่ ก, ก็เคยินอะไรยื่นให้ก็เอาไปหมดเลยปฏิบัติธรรมมันเอาอะไรต่างๆทังคนก็รู้ปล่อยเป็นผู้รู้ไปเลย บางคนไปรูปไปเป็นผู้ไม่รูปไปเลยบางคนก็ไปเป็นสุขปนเป็นผู้สุขไปเลยบางคนก็ทุกข์กลายไปเป็นผู้ทุกข์ไปเลยมันมีรสชาติสติเนี่ยตัวซื่อๆตัวเนี่ยนะตัวซื่อๆนะโลกที่มันเป็นรสชาติของโลกมัน จ, จืดไปเลยนะเราพ่ดเทียนนะพูดว่ามันจืดเอาสำลีชุบน้ำ มาบีบนะบอกมันจืด <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีคนอุ้มเด็กน้อยมาเล่นวัดเด็กน้อยมันก้นมันแดงเราว่าเดี๋ยวเอามือไปไปจับก้นมันงดกดลงไป เลือดแดงๆมันจืด อ, ออกเกิดอกมันขาวเนี่ยสมามไมเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรมันจืดมันจืดเลือดไม่มีขาวไปเลยพอวางมือออกเลือดหนังก้นของเด็กน้อยก็แดงขึ้นมาเอามือไปจับอีกกดลงไปมันขาวเช็ดไปนะมันจืดอย่างนี้ถอาก็เปรียบเทียบไปดูอ่ามันจืด มันเฉยคืออะไรคือซื่อซื่อคือราวะตัวซื่อๆื่ออันจียาที่วีบก็นแดงน้อยไม่มีจียามีวัตถุส่วนธรรมะมันนามธรรมามันไม่ใช่อะไรไม่ใช่สมมุติไม่ใช่บัญญัติมันเป็นปรมา จ, จัจะอยู่ในคนเราจะไปโง่ซื่อบือ้อหรือ พราะว่าเราปฏิบัติธรรมคนโบราณโบราณนี่แหละเป็นคนทันสมัยที่สุดเลยเพราะเราจับชีวิตของเราได้อยู่ในกรำมือเราพราะอยู่ที่ไหนก็ทันสมัยคนที่ไม่ทันสมัยหัวเราะร้ อ, องไห้ท่า น, นไม่ทันสมัยล่าสมัยอย่ากรู้จักใครพูดอยู่เสมอว่า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 ไปทางนั้นเราอยู่สูงกว่าเขาอันนี้หมายถึงนา ม, มาทำเขาเลาะก็รู้เขาลองให้ก็รู้เขาได้ก็รู้เขาเสียก็รู้เขาสุกขก็ทุกรู้นั่งรถเอนั่งรถทัวรหายใจเออเขาสุขเฮ้ยเราก็ไม่เห็นเมียเลยก็ไม่เป็นไรซื่อๆความสุขของเขามันเป็นซื่อๆของเราความทุกข์ของเขามันเป็นซื่อๆของเรา ท่านจะหมไม่แบบนี้แค่น้อยท่านจะไหมความทุกข์ของเขามันเป็นความซื่อชื่อของเราความรักของเขามันเป็นความซื่อชื่อของเรามันไม่มีรสชาติอะไแต่เขายังร้องไห้เสียใจอย่างนุ่นตาเคยพูดให้ฟังมีผู้หญิงสองคนมาหาขราวเดียวกั น, นหนึ่งสามีตาย อุบัติเหตุคนหนึ่งสามีหนีไปมีเแฟนใหม่สองคนทุกเท่ากันเขาสามีคนที่เออคนที่สามีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุสามีเขาเป็นคนดีอีกคนหนึ่งสามีเป็นคนไม่ดีแต่ว่าความทุกข์สองคนเหมือนกันใช่ไหม เหมือนกันไหมความทุกข์สองคนนะทำไมหลวงตาถามว่าทําไมจึงทุกข์เหลือเกินไม่มียิ้มแย้มแยบใส่เลยเศร้า ส, สมองไปทําไมหนูสามีของหนูเป็นคนดีมันจะทําไมก็ไม่ได้เพราะสามีของหนูเป็นคนดีมันอยู่ในหัวใจเห็นแต่ความดีของเขาเอาทุกข์เอาคนเนี้ เป็นไงทำไมถึงทุกข์เหลือเกินเขาไม่ชื่อตรงต่อเราลงทุนลงแรงกันมาเขาเที่ยงเหล่านี้ไปเขาเที่งเราไปทุกทําไมเขาทํานั้นทุกทําไมเขางตายจากเราไปทุกมันน่าจะตายเลยเป็นคนดีทุกโอ้มันคนคนไม่ดี ไม่รับผิดชอบอมีรูปมีเมียไม่รับผิดชอบไปชอบหญิงอื่นทำไม่ยิ่งทำนั้นมันก็ทุกข์เหมือนกันความดีกับความไม่ดีมันทุกข์เท่ากันถ้ามองดูๆเรามองดีๆเรามันซื่อๆเจ้าเนี่ยมันก็ซื่อๆของเขาความทุกข์ก็เป็นซื่อๆมันไม่มันไม่ไปไกลมันแค่นั้นแต่ใจวันมาแล้ว มันก็ยังไม่ซื้อมันเอามาทําไมทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไี้มันไม่ซื้อไอ้วนเวียนอยู่เป็นขอบ ก, กับดุ๊กวนเวียนไปอันเกับหัวมาคิดอันกัาหัวมาคิดคิ ด, คดจําแล้วคิดจําเบกหาเรื่องคิดหาเรื่องปัญหาต่างๆมันวนมันไม่ซื้อมันเหมือนขอบกับดุ๊ม้แตงไต่กระดุ๊เวียนไปเวียนมาก็เรือว่าวัด วัฏะเวียนไหวตายเกิดมันไม่ซื้อถ้ามันซื้อมันเขลียออกขอบกอดด้งวงกลมตัดปุ๊บออกมันดีออกหวางปุ๊บลงไปนะเอาทิ้งไปที่มันเนี่ยขอบกอดด้งที่มันเป็นไมไผ่ที่มันเป็นเช่นแล้วทิ้งไปนี่ะจิ้งไปมันก็ไม่ไหลนะเพราะมันซื้อแล้วถ้ามันกลมมันไม่ซื้อมันก็จิ้งไปจนจุดเบี่ยงจุดเบี่ยงตรงไหน โศกะไปเถว่ยทุกโทมนัสตุปสายาติตายไปเกิดตายเกิดตายเกิดตายโทมนัสตุปสายาตพบหนึ่งพบหนึ่งพบหนึ่ ง, น, งนับไปทั่วทันพบชาติที่อยู่ในตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงว่าตัตดพบตัดชาติสิ้นพบชินชาติเพราะอะไรเพราะมันซื่อออ ะ, ยยอะไรมันยากกอะไรมันยากอะไรมันง่ายอะไรเป็นปริศษศาสตร์ อะไรมันล่าสมัยอะไรมันทันสมัยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้ยคนโบราณเขาวัดเข้าว่าเหมือนพระเจ้านำปิยะถามรัฐบาลลูกเจ็ดถีมาบวชรัฐบาลยังหนุ่มยังหล่อ ผมก็ยังดำอยู่มาหน้าจะบวชเลยทำไมหนอรัฐบาลจึงไปบวชเขาก็คิดว่ารัฐบาลจะต้องเลือกได้เอาหญิงขนาดไหนก็เลือกได้ผู้หญิงมาขอแต่งานเลือกได้ ท, ทัพย์สมหัดมากงานมหาศาลไม่ตั้งแต่เกิดมาคาว่าไม่มีไม่เคยได้ยิน ได้ยินแต่คบว่ามีทั้งนั้นอะไรก็ตามให้เหมือนวัดป่าสุโกโตนะอะไรที่ให้มีเยอะจยะหลายอย่างแต่รัฐบาลคบว่าไม่มีไม่เคยได้ยินตั้งแต่เกิดมาพระเจ้านำปิยสนใหญ่เอะทำไมจึงไปบวช่าถามรัฐบาลท่านยังนมผมยังดกดำโลกชนเดียวของเผดที แทนที่มีความสุขความสะดวกสนานในโลกมากที่สุดรัฐบาลตอบว่าโลกนี้ไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนยรอมทิ้งในสิ่งนักปวงไปโลกนี้เป็นธาตุของความยากไม่รู้จะจบจากสิ้นอะไรจะมาได้ ไปรับเจ้าํำไปจยโอ้มันก็มองคนละอย่างพยจามองให้รัฐบาลมาครองทรัพย์สมบัตเเิเอาลูกเอาเมียเป็นข้ า, าบอดีแทนบิดามาันดาลับบุลหลกชื่อเฉียงเรืงนามคนสมัยก่อนคนเจอิถีเนี่ยมีชื่ อ, อเสียงคนจนเพิ่งได้รัฐบาลควรที่จะเป็นไปทำนองนั้นแต่ว่านั้นไม่ใช่ มันไม่มีใครป้องกันได้ทรัพย์สมบัติตั้งหลายแบมเป็นของสมบัติของโลกเปลี่ยนกันใ ช, ช้เฉยเฉยเปลี่ยนกันใช้เอามาจริงน่ะเราดูสิในชีวิตเราไม่กี่ปีมานี้หลวงตานี่นาก็สับเสาวเองด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน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 ดูอ๋อที่ที่เราเคยอยู่มีห้องฟ้าอะไรบ้างเล็กน้อย<ม>เห็นแม่อยู่ก็ไปได้เดี๋ยวนี้แม่กล้าไปแล้วไม่เคน้อยใครอยู่ด้านห้านเคยเขาไม่รู้เราโอ้ก็จะว่าร้องตามาเลยนาอเนี่ยเขาจะว่ า, าน้องสาวก็มีอยู่จริง จ่น้องสาวไม่เป็นเจ้าของแล้วน้องสาวมีลูกสาวลูกสาวคนเดียวกก็ก็เอาผัวแล้วสา ม, มีหม่ว่ า, าเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแล้วเราไปก็ไม่เหมือนแม่ยอย่างอดียอกอไม่ควรไปเลย ท, ท, ทั้งๆั้งที่บ้านเราทำเองมันเปลี่ยนกัินใช่เยเฉยใช่ไหมบ้านเราทำเองแต่มันเปลี่ยนกันใช่ใช ไ, มใชไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าของย่อมละไปทิ่งไป อะไรเราจะไปเอาอะไรใไจให้มันไม่ซื้ออะไรซื่อซื่อซะเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ซื้อจะเป็นทุกข์จะมีปัญหากับโลกมากที่สุดเลยแล้วมาปฏิบัติทำหนะ้าเจ้าอะไรมาได้มันได้ ซ, ซื้อของชีวิตเราหมดที่สุดการชินไปแห่งความคดรก็งอเป็นความสุขในโลกคําว่าคตรก็งองอคือ ความหลงความอยากกิเลสตหาทั้งหลายมันโคตมีเมียแล้วทิ้งเมียหนีไปมันโคตคนก็ทุกข์เพรมันโคต ม, มีเมียแล้วตายนิจจากกันไปเอาคนก็ทุกข์พรมันโคตรด้านก็ยังของจริงเพราะมันไม่ป้องกันได้ชีวิตนะหายใจเข้ามาออกก็าตายหายออกไปก็าตายสารพัดอย่างมันไม่ซื่อ เรามารู้ซื่อๆเสาะสติเดินเป็นเป็นตัวซื่อๆ อ, อย่างนี้เอาไหมความซื่อๆแบบนี้ถ้าไม่ซื่อกล้ตาใบเช็ดเอาผ้าเช็ดหน้าว้เช็ดํำตามีโรคมีเมียคอยกังวลเจ็บปวดคอยแล้วแม่ระวังเป็นเมียรเราหรือเปล่าเป็นผัวเราหรือเปล่านอกใจเราหรือเปล่าเป็นยังไงไปหรือเปล่าอะไรมันเป็นยังไง งองกันอ่าบางทีหัวติดเล่าอา้าเป็นทุกข์ขับรถไปเรียนเอารถไปจํำนำําเมียต้องตามไปใฉ่อ่าเป็นทุกข์ชวนกันมาเลิกเล่าไอ้หลวงพ่อบอกรับปากกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกก็ว่าว่าเขาจะเลิกถ้าเขาจะเลิกก็สัญญากันพวกเราสาธุพร้อมกันสาธุทั้งลูกทั้งเมียทั้ง คนที่จะเล่าเล่าบอกกัสาตัวมันไม่ซื้อมันไม่ซื้อเลาบอกก็ติดติดก็เป็นทุกข์ต่อคนอื่นถ้ามันไม่ซื้อมันไม่ใช่ทุกคนเดียวหนะ่ะมันทุกข์กับคนอื่นไปอีกเปียดเปลี่ยนไปอีกเปียดเปลี่ยนแม้แต่ธรรมชาติจริงแวดล้อมเปลียดเปลี่ยนไปหมดแล้วนี่เดี๋ยวพูดกับทุกคนนะ อันเดียวกันแท้ๆเราเนี่ยหงตาก็มีชีวิตอยู่ก็อยากจะพูดอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ช่วยช่วยกันไปขอขอเป็นส่วนร่วมด้วยกับการสอนธรรมะกับการพูดธรรมะการพูดธรรมะผมก็แค่ฟังแต่การทามันเป็นเรื่องของเราทำไงเราจึงจะมีสติซื่อๆก็นี่แหละเรามารู้เนี่ยหัดซื่อ มันรู้จึงตัวมันชื่อไหมอะไรมามาแยกไปอีกอ่ะมันหลงอ่อซื่อกับความหลงว่าแค่นั้นแหละความหลงมันรู้ก็แค่นั่นแหละมันซื่อกับความหลงความผิดความถูกความถุกความไมต่างๆมันชื่อไปหมดเลยอย่าไปเป็นนะเลยบอกว่าเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นคำว่าเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผืนเอ๋อมันเป็นผู้อีกแล้วมันตัวเห็นตัวเป็นนีกแล้ว เาไม่รู้จะพูดยังไงก็รว่าสมมุติมาพูดกันในโลกนี่มันมีสมมุติบัญญัติเอาสมมุติมาพูดมามาบอกกันเช่นความโกรธเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีความโกรธนั้นคยเอะไรแล้วเอาสมมุติมาพูดกันเหมือนกับเขาไปศึกษาธรรมะคนโบราณไปศึกษากับอาจารย์เช่น อาจารย์ครับความขวดเป็นยังไงความโลภควาหลงเป็นยังไงเธอตอบยังไงเราไม่ชี้น้อยอาจารย์ตอบยัไไ ง, บง ไ, ไงอาจารย์เชิญความขวดเป็นไปยังไงครับความหลงเป็นยังไงครับอาจารย์เชิญกูว่พวกวไม่เท่าออตีหัวโป้เลยไ <laughs> อย้คนมาถามโกรธขึ้นมาโป้คนมาถามโกรธขึ้นมา หน้าบูดหน้าบิงขึ้นมาเก็บหัวอาจารย์ทะไม่เท่าตีหัวอ่อไม่ต้องพูดเลยทำไมมันโกรธขึ้นมาคนถามก็เห็นความโกรธโอ้ความโกรธอย่างนี้นะอ้าลากลั บ, บานลืมหวกไปอ้าความหลงเคยอะไรหรอือกลับมาเอาหกเอา้านี่ความหลงเลยนะเออหลง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 นี่คือการปฏิบัติธรรมคือพูดเรื่องเราทำเราทำเรื่องที่เราได้ยินไปมันก็มันก็มีการสมบูรณ์ขนาดที่แล้วการศึกษาอยอดชั้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยมันมีอยู่แล้วคำพูดมันเป็นสมมติบัญญัติแต่มันเป็นปมรมาจารจ์ที่เหม็นยีกเป็นจริง มันเห็นความรู้มาเห็นความหลงเห็นความสุขความทุกข์อย่างนี้อีกยี่สิบวันเราจะปฏิบัติทำกันที่นี่เราจึงช่วยกันช่วยกันนะชื่อๆใครก็พูดกันสติชื่อๆสติชื่อให้มากที่สุดอย่าให้ลองตาพวกคนเดียวนะเห็นกันเหรอนจริญสติชื่อๆนะอะไรๆมากๆามเดืมัดจุกโตเลย ไอ้ก็ชื่อๆไปหมดเลยอย่าไปถ้าเราก็พยายามอาสัยคําพูดของเราสอนเราแสดงธรรมไปพางหลุดพ้นไปพางแสดงธรรมไปพางปฏิบัติธรรมไปพางทํางานไปพางบรรลุธรรมไปพางเมื่อมันซื่อๆที่น้อยตามน้าเพี้ยก่อื่อๆโอ้ยอย่าว่าอย่ายากอย่างง่าย อ้าวไปทำอะไรก็ซื่อๆไปเลยนะใจซื่อๆเนี่ยําแก้วแฉบแฉบแล้วแค่น้อยถ้าใจไม่ซื่อจำําแก้วว่าแฉบหรอกเพราะมันใจของก่อนนอนไม่ซื่อแม่ห่งข้าวให้ลูกนะ่ะโอ้ยข้าวปอน ล, ลูกวิธีอะไรมันจะอร่อยคนแล้วคนอีกแฉบแฉบน้ำนมของแม่ก็แฉบถ้าแม่ลักลักเวลาแม่ให้นม ถ้า แ, แม่ให้นมล่นะทั้งดูทั้งดา่าบนลูกก็ได้ความร้ายออกไปเพราะให้นมน้ำใจที่มันรโลโล้อนแล้วก็ได้ร้อนไปแม่ให้นมลูกต้องยิม้มดองหน้าลูกต้องยิม้มใหเมตตาเห็นลูกกินนมโอ้ยพอใจยิม้มบางคนไม่ยิ้มนะ เอาเอารวมข้างมาดุมาด่าว่าจะแรงด่ากันขณะดให้นมลูกลูกก็เป็นคนที้โกรธไปเลยใช่ไหม อ, อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะนั้นให้มีสติซื่อๆนี่แหละดีที่สุดเลยอ่ากลับพรพร้อมกัน